สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากทีีบานะครับในเช้าวันนี้เป็นข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่ยี่สิบเจ็ดเรื่องทางสองแพ่งพี่น้องครับโพจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สี่ข้อที่สิบจนถึงข้อที่สิบเก้านะครับแต่ในวันนี้จะพูดถึงเรื่องทางสองแพ่งที่เป็นทางดีก่อนนะครับ โปรดฟังพรจนะของพระเจ้าสุภาสิบทที่สี่ข้อที่สิบถึงข้อที่สิบเก้าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคําของเราเพื่อปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลายเราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเราได้นําเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรมเมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุด จงยึดวินายไว้และอย่าปล่อยไปจงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้าอย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่วร้ายและอย่าเดินในทางของคนอธรรมจงหลีกเสียอย่าเดินบนนั้นเลี้ยวออกไปเสียและจงผ่านไปเพราะถ้าคนชั่วร้ายไม่ได้ทำความผิดเขานอนไม่หลับถ้าเขาไม่ได้ทำให้คนใดสะดุดเขาจะหลับไม่ลง เพราะเขารับประทานอาหารของความชั่วร้ายและดื่มเหล้าอางุ่นแห่งความทารุณแต่วิถีของคนชอบทำเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใส ย, ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเต็มวันทางของคนชั่วร้ายก็เหมือนความมืดทึบเขาไม่ทราบว่าเขาสะดุดอะไรพี่นะครับในเช้านี้ผมจะอธิบายความตั้งแต่ข้อที่สิบจนถึงข้อที่สิบสามนะครับ รวมทั้งที่สี่ข้อด้วยกันทางสองแพ่ง น, นี้ทางหนึ่งนําไปถึงชีวิตนิ่รันอีกทางหนึ่งนําไปถึงความตายยิ่รันครับและบทนี้เป็นบทที่ทําให้เรารู้ว่าเมื่อเราฉวยปัญญาไว้แล้วชีวิตของคนที่ฉวยปัญญาไว้นั้นเขาจะมีคําแนะนําไม่เพียงแต่มีคําแนะนําครับมีประการที่สองคือการกระตุ้น นะครับและมีประการที่สามก็คือคําสั่งและมีประการที่สี่ก็คือแรงจูงใจในบทนี้นะครับจะมีการอภิปรายอยู่ถึงสามตอนด้วยกันตอนแรกก็คือเมื่อวานนี้นะครับตอนที่สองเรื่องของทางสองแพ่งและในวันพรุ่งนี้วันมะรืนก็จะเป็นตอนตอต่อไปเป็นตอนที่สามพี่น้องครับสุภาษิตบทที่สี่สอนให้ นะครับให้เรารักปัญญาให้เรารักวินัยให้เรารักคำสั่งสอนให้เรารักหลักคาสอนหรือหลักข้อเชื่อพ่อแม่นั้นสามารถส่งต่อความรักหรือสามารถส่งต่อปัญญาให้กับลูกๆได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นเมื่อวานนี้สิ่งที่สำคัญที่จะเน้นในวันนี้ก็คือว่าเกี่ยวข้องกับทางส่งแพร่งทางแพร่งแรกนะครับหรือทางแรกก็คือ ทางแห่งชีวิตเราตั้งคถามว่าบนทางนี้เราจะพบกับอะไรคำตอบก็คือว่าบนทางนี้เราจะพบกับชีวิตเราจะได้ชีวิตม่ได้อย่างไรพระกัมพีใหม่ตอบชัดเจนครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รับชีวิตเพื่อที่จะดาเนินชีวิตนั่นหมายความว่า เขาจะต้องรับพระเยซูครับแล้วก็ดำเนินชีวิตของพระเยซูออกมาชีวิตของเขานั้นจะมีเป้าหมายชัดเจนก็คือเดินไปสู่ความเป็นนิรันรข้อที่สำคัญในวันนี้ก็คือข้อที่สิบสามครับจงยึดวิญญาณไว้และอย่าปล่อยไปจงยึดวิญญาไว้และอย่าปล่อยไปจงระแวดระวังเธอไว้รักษาให้ดีครับรักษาระแวดระวังนะครับเก็บไว้ให้ดีเพราะเธอเป็น ชีวิตของเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ผิดเลยครับที่เราจะพูดว่าวินในคือชีวิตอาจารย์หมอเฮนรี่ท่านได้สอนชัดเจนครับวิตในคือชีวิตเวลาท่านสอนวิตในคือชีวิตนั้นท่านก็จะบอกว่า no bible no breakfast หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณก่อนก่อนที่จะรับประทานอาหารฝ่ายร่างกายเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้อง ฟังในข้อที่สิบสานะครับเป็นภาษาอังกฤษครับ Always remember what you have learned Always remember what you have learned Your education is your life Your education is your life Guard it well คำว่า education ก็คือการให้การศึกษาคำว่าวิ t n e y แปลว่า instruction พี่น้องเห็นความเชื่อมโยนครับวิทย์ในครับการให้การศึกษาทาให้ทาการให้คําสั่งสอนและนําไปถึงชีวิตพี่น้องครับเรากลับมาทบทวนชีวิตของเราสิครับถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่สอนเราไม่มีคําสั่งสอนจากบรรพบรุษไม่มีคําสั่งสอนที่มาจากพระว จ, จนะจะมีชีวิตแบบเราในวันนี้ได้หรือเปล่าครับคําตอบคือ คงจะเป็นไปไม่ได้และที่สําคัญที่สุดระหว่างคําสั่งสอนหลักคําสอนคําสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษและโพจนะพระจนะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะต้องยึดไว้คําสอนจากบรรพบุรุษจะต้องไม่ขัดแย้งกับพรจนะคําสอนของพ่อแม่ก็จะต้องไม่ขัดแย้งกับโพระเจนะพี่นะครับเราต้องยอมรับนะครับคนที่เรานะครับคนที่ เป็นพ่อแม่หลายในครั้งทีเดียวเราก็ไม่ได้สอนตามที่พระวจนะสอนเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเราไม่รู้เราไม่รู้พระวจนะเท่าที่ควรอันนี้เป็นความบกพร่องของเราประการที่สองก็คือว่าเราไปประนอมประนีประนอมคำสอนของพระมัมภีเข้าหาคำสอนของโลกบางครั้งเราก็มโนหลักการของเราขึ้นมาเองครับโดยการผสมผสาน ร, ระหว่าง คำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าและคำสอนจากโลกหรือไม่งั้นเราก็ปฏิเสธคาสอนของพระวจนะแล้วก็รับคำสอนจากโลกเต็มๆโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราสอนนั้นไม่ตรงกับพระวจนะนะครับนี่คืออันตรายสามประการอันตรายสามประการที่คุณพ่อคุณแม่พึงควรสังวรไวและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้พระธรรมสุภาษิต จึงเป็นตัวอย่างของพ่อแม่ที่ดีครับโซโลมอนนั้นได้เดทื่ทูลเทื่ทูลให้กษัตริย์ดาวิดจึงเป็นพระราชบิดาหรือเป็นคุณพ่อของพระองค์ท่านว่าคุณพ่อน่ารักมากเราอยู่กับลูกเป็นแก้วตาเป็นดวงใจพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของพระเจ้าน่ารักเรารู้ว่าเจ้าของพระเจ้า น, านั้นคือพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ พรงก็น่ารักพระเยซูคริสต์พรงทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงน่ารักพระงทรงแสนดี God is so good เพราะฉะนั้นในข้อที่สิบครับที่บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังและรับคำสอนของเราเพื่อปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลายตรงนี้นั้นผู้เขียนสุภาพิตได้อ้านอพยยบบทที่ยี่สิบข้อสิบสอง ซึ่งเป็นหนึ่งข้อในบัญญัติสิบประการหนึ่งข้อในบัญญัติสิบประการซึ่งเป็นข้อที่ห้าจงให้เกียรติเกบิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าในพระธรรมเอเฟซัสซึ่งเป็นทัมภีร์ใหม่ได้กล่าวว่ากล่าวเช่นเดียวกันครับบอกว่าเพื่ออายุ ของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินโลกพี่น้องครับเพราะเจ้าของพระเจ้าเน้นแผ่นดินโลกได้หมายความว่าอายุจริงๆของเรานะครับจะยืนยาวถ้าเราเคารพบรรพชนของเราเคารพคุณพ่อคุณแม่ของเราเชื่อฟังท่านในข้อ11ได้บอกว่าเราได้สอนเจ้า <c oughs> ในเรื่องทางปัญญาแล้วเราได้นาเจ้าในวิถี ของความเที่ยงธรรมแล้วเมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าจะวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องมีคําสอนมีวิทย์เราจะต้องมีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องและสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นชีวิตของเราเวลาเราเดินหรือเวลาเราวิ่งเราจะไม่ล้มครับ เราจะไม่ถูกขัดขวางและวิถีของเรานั้นจะเป็นวิถีของความที่ยังทำชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่ผมได้พูดไว้เสมอครับก็คือจะพิพัฒวัฒนาถาวรตลอดไปอาเมน